อธิบายกรรมไม่ชอ uh <fits. S 2> บธรรมภิก huh. ษุทั้งหลายก็กรรมไม่ชอบธรรมอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าทำกรรมด้วยยติหนึ่งครั้งไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าทำกรรมด้วยยติสองครั้ง แต่ไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบทภมภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าทำกรรมด้วยกรรมวาจาหนึ่งครั้งแต่ไม่ตั้งยติชื่อว่ากรรมไม่ชอบทำภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าทำกรรมด้วยกรรมวาจาสองครั้งแต่ไม่ตั้งยติ ชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายนัยติจะตุทะกรรมถ้าทํากรรมด้วยยติหนึ่งครั้งแต่ไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบทำพิภิกษุทั้งหลายนัยติจะตุทะกรรมถ้าทํากรรมด้วยยติสองครั้งแต่ไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบทม ภิกษุทั้งหลายในยติจะตุทะกรรมถ้าทํากรรมด้วยยติสามครั้งแต่ไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรำภิกษุทั้งหลายในยติจะตุทะกรรมถ้าทํากรรมด้วยยติสี่ครั้งแต่ไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลาย นายยะติจะตุธกรรมถ้าทำกรรมด้วยกรรมวาจาหนึ่งครั้งแต่ไม่ตั้งยัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบทรพิภิกษุทั้งหลายนายยะติจะตุธกรรมถ้าทำกรรมด้วยกรรมวาจาสองครั้งแต่ไม่ตั้งยัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบทรพิภิกษุทั้งหลายนยัติจะตุทกรรม ถ้าทำกรรมด้วยกรรมวาจาสามครั้งแต่ไม่ตั้งยติชื่อว่ากรรมไม่ชอบทำภิกษุทั้งหลายในยติจะตุธกรรมถ้าทำกรรมด้วยกรรมวาจาสี่ครั้งแต่ไม่ตั้งยติชื่อว่ากรรมไม่ชอบทำภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่ชอบทำ